ผมเป็นคนอีสานที่มาปักหลักหากินในกรุงเทพเช่นเดียวกับพี่น้องชาวอีสานอีกหลายต่อหลายชีวิตความจริงพวกเราไม่อยากที่จะเดินทางเข้ามาในเมืองที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแบบนี้หรอกนะครับแต่ว่ามันก็จนใจเพราะว่าอยู่บนนอกคอกนานั้นพวกเราก็ไม่ค่อยจะมีกินกันเมื่อท้องมันหิวเราก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเข้ามาในเมืองกรงุงทั้งทั้งที่รู้ว่าใครๆเขาก็ดูถูกดูแคลนกันทั้งนั้น ผมเดินทางเข้ามาครั้งแรกจากการชักชวนของเพื่อนซึ่งมายึดอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพมันเห็นว่าผมขับรถเป็นมันก็เลยชวนผมเข้ามาเสี่ยงดวงดีกว่านั่งรอวันตาอยู่ที่บ้านนอกแบบนั้นตอนนี้นาก็ยังทำไม่ได้เองน่าจะไปขับรถแท็กซี่กับข้าดูนะมันเป็นอาชีพอิสระไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาวันวั น, นึงก็พอหาได้สักร้อยส0บาทและเชื่อข้าหรือ ว, วะ ผมยังจำคำพูดของเพื่อนในวันนั้นได้และหลังจากนั้นเป็นต้นไปผมก็ได้มายึดอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับผมมันเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยประสบมาและเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้จนวันตายผมก็ไม่อาจจะลืมมันได้อย่างแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมมันช่างชัดเจนสเสือเกิน เย็นวันนั้นผมออกรถขับตลอนรับผู้โดยสารตามปกติวันนั้นเป็นวันที่ผู้คนไม่ค่อยออกจากบ้านกันเท่าไหร่นักผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันรู้แต่ว่าเกือบเที่ยงคืนและผมก็ยังหาเงินได้ไม่ถึงร้อยบาทด้วยซ้ําผมทําใจไว้แล้วว่ายังไงสัวันนี้ก็ต้องเจงย่อยยับแน่แต่ก็เหมือนดวงมันยังไม่ดับเพราะว่าอยู่ๆขณะที่ผมขับรถตระเวนอย่างเซงอารมณ์ผมก็ได้พบกับหญิงสาวคนนึงเข้าเธอเรียกรถผมให้หยุดพร้อมกับตกลงราคา พี่ไปส่งรามอินทากิโล7ประมาณเท่าไหร่คะ mm. เธอถามผมด้วยน้ําเสียงราบเรียบพอๆกับสายตาที่มองมายังผมเข้าซอยไหมครับผมย้อนถามบ้างเพราะต้องรู้ซะ ก, ก่อนไม่งั้นเสียเปรียบแย่ mm. ก็เข้าซอยประมาณ300เมตรได้ค่ะไม่ไกลหรอกค่ะพี่คราวนี้เธอตอบผมแล้วก็ยิ้มให้ซะด้วยไอผมเองก็ประเภทเห็นผู้หญิงสาวๆสวยๆไม่ได้ซะด้วยก็เลยบอกราคาต่ำๆไปเพราะกลัวเธอจะไม่ตกลงนั่นเองเออผมขอสัก 330ก็ละกันครับนี่มันก็ดึกมากแล้วเดีย๋ยวต่อราคาเลยนะครับผมแกล้งพูดไปเพราะว่าราคาทิเรียก็ต่ำอยู่แล้วถ้าเธอต่ออีกก็คงไม่คุมแน่ตกลงค่ะพี่นี่มันก็เกือบตีสองละก็คงดึกแล้วจริงๆนั่นแหละพูดจบแล้วเธอก็ก้าวขึ้นรถโดยสารขึ้นมานั่งอยู่ข้างหน้าข้างๆผมทําให้ผมได้กลิ่นหอมกลุ่นจากกายเธออย่างถนัดชัดเจนผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยทีเดียวเสียงก็เพราะกลิ่นก็ยังหอมอีกผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับ ตลอดทางที่ขับรถมาผมพยายามชวนเธอคุยแต่เธอค่อนข้างสงวนคำพูดหน้าดูผมเองก็รู้สึกเขินๆที่พยายามพูดกับเธอจนมากเกินไปพี่ขับรถดึกๆแบบนี้ทุกคืนหรือเปล่าคะเธอถามผมขึ้นบ้าง mm. เมื่อผมเลี้ยวเข้าซอยบ้านของเธอตามคำบอก mm. ก็ทุกคืนหละครับแต่ว่ามันก็ต้องอดทนเพราะมันเป็นอาชีพครับ น้องก็เหมือนกันค่ะพี่ต้องกลับดึกแบบนี้ทุกวันทุกคืนแต่ก็ต้องทนเพราะว่ามันเป็นอาชีพเหมือนกันบางคืนน้องก็ไม่มีค่ารถน้องก็ต้องจ่ายเป็นอย่างอื่นแทนค่ารถคำพูดของแม่สาวคนนี้ทำให้ผมชักกลืนน้ำลายลงคอได้ลำบากซะแล้วเพราะว่าความจริงถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้แต่สาหรับผมคืนนี้ผมต้องการเงินมากกว่าแม่ คุณแต่งตัวออกจะสวยไม่มีเงินขึ้นแท็กซี่ใครจะไปเชื่ออย่ามาล้อผมเล่นหน่อยเลยผมพยายามจะพูดเข้าข้างตัวเองแต่เมื่อได้ยินคําพูดที่เธอตอบกลับมาผมก็ต้องถอนหายใจอย่างคิดหนักจริงๆนะคะพี่อย่างคืนเนี้ยหนูเองก็ไม่มีเงินให้พี่เลยแต่ว่าถ้าพี่จะเอาอย่างอื่นแทนหนูก็ไม่ขัดข้องนะคะจริงๆหนูก็พักอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้คนเดียวด้วยสิพี่น่าจะเข้าไปพักเอาแรงก่อนสักนิบ แล้วค่อยกลับออกไปทํางานไม่ดีกว่าหรอคะเอาละสิครับแม่สาวสวยเชื้อเชิญผมให้ซะแล้วมันทําให้ผมคิดหนักจริงๆแต่ว่าในที่สุดเมื่อคิดว่ายังไงวันนี้ก็ต้องเจ๊งแง่ๆอยู่แล้วผมก็เลยตกลงที่จะพักเอาแรงกับเธอสวยๆแบบเนี้ยใครจะปฏิเสธไหวผมเลี้ยวรถเข้าไปจอดในรั้วบ้านของเธอมันเป็นบ้านหลังขนาดกระทัดรัดชั้นเดียวมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรเมื่อผมจอดรถเสร็จเธอก็ชวนผมเข้าไปในบ้านหลังนั้น ทันทีที่ผมเหยียบเข้าไปในบ้านผมก็รู้สึกเย็นยะเยือกยังไงชอบคนแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือเพราะถือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านเธอผมก็พบว่าในบ้านไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวนอกจากผมกับผู้หญิงคนนั้นแค่สองคนเดี๋ยวพี่อาบน้ำอาบท่าก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้จะได้นอนสบายตัวเธอบอกกับผมพร้อมกับยิ้มมุมปากให้ผมอย่างมีพิรุษดีครับกาลังร้อนอยู่เหมือนกัน ผมรับคำพร้อมกับคิดในใจว่ายังไงคืนนี้ก็ต้องเอาให้คุ้มค่าแท็กซี่ให้ได้เพราะแม่สาวคนนี้เธอช่างสวยถูกใจจริงๆยิ่งเวลาที่เธอมองผมด้วยสายตาเป็นประกายมันยิ่งได้อารมณ์สุดเหวี่ยงผมมั่นใจว่ายังไงซะก็ไม่สวยจนเกินไปนะกรอกผู้หญิงคนนี้เอาผ้ามาให้ผมผ่าดอาบน้าส่วนเธอขอตัวไปเตรียมตัวอาบน้าเช่นกันผมก็รีบๆอาบเพื่อจะได้เชยชมความงามของเธอเร็วๆและเมื่ออาบน้ำเสร็ ผมก็ค่อยๆเปิดประตูออกมาเพื่อแอ บ, บดูว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่ผมค่อยๆแง้มประตูออกไปแล้วก็มองไปรอบๆเพื่อหาว่าเธออยู่ที่ไหนทันใดนั้นเองชีพรจรของผมก็แทบจะหยุดเต้นเมื่อสายตาของผมไปพบกับหญิงแก่ๆคนนึงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในชุดเดียวกับที่สาวสวยใสย่หญิงแก่คนนั้นกําลังนั่งอยู่หน้ากระจกหันหลังให้ผมแต่ที่ผมเห็นหน้าของเธอก็เพราะเงาสะท้อนของกระจกนั่นเอง ใบหน้าอันเหี่ยวย่นของหญิงแก่เหี่ยวลงหนักเมื่อกำลังยิ้มให้กับตัวเองอย่างผู้มีชัยชนะในตาของแกแดงกำ่ำผมหงอกขาวสยายยาวเหยียดและไม่เพียงแค่นั้นขณะที่ริมฝีปากอนาเต๋ะของแกนั้นมีเขี้ยวแหลมงอกออกมาให้เห็นด้วยผมพยายามคิดว่าจะหาทางออกแบบไหนดีตอนนั้นรู้แล้วว่าผู้หญิงสาวที่หลอกล่อผมมาในครั้งนี้ความจริงแล้วเป็นผีเป็นผีแก่ที่เห็นอยู่ในกระจกอย่างแน่นอน ผมคิดว่าต้องทำใจดีสู้เสือไว้ก่อนเพราะขณะนั้นกางเกงกับเสื้อและกุญแจรถอยู่ข้างนอกผมหนีออกไปแบบนี้ไม่ได้แน่เมื่อคิดดังนั้นผมก็ปิดประตูห้องน้ำไว้อย่างเดิมแล้วแกล้งเรียกเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าผมกำลังจะออกไปแล้วเสียงเอาหวังว่าเธอคงจะแปลงร่างเป็นสาวสวยให้ตายใจอย่างแน่นอนและหลังจากที่ใส่เสื้อผ้าแล้วค่อยหาโอกาสนีที่หลังแผนของผมสาเร็จครับ พราะเมื่อผมเปิดประตูออกมาผีตนนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะที่สวยอยู่ผมพยายามบอกให้เธอไปอาบน้ําและเมื่อเธอเข้าไปในห้องน้ําผมก็รีบแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแล้วรีบเพ่นหนีขึ้นรถกลับไปอย่างไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวรุ่งขึ้นตอนเที่ยงจัดๆผมชวนเพื่อนให้ขับรถกลับไปดูที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหลังจากเล่าเรื่องอันน่าสะพริงกลัวให้มันฟังเชื่อไหมครับว่าเมื่อผมกลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกครั้ง ก็ได้พบกับบ้านร้างหลังหนึ่งปลูกอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่ขึ้นรกครึ้มปกกลุมไปทั่วบริเวณตัวบ้านถูกไม้เลื้อยต่างๆเลื้อยขึ้นพันรกไปหมดและเมื่อผมลองจอดรถถามคนแถวนั้นก็ได้ทราบว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านร้างมานานหลายสิบปีเมื่อก่อนมีหมอนวดคนหนึ่งมาถูกฆ่าตายที่นี่และวิญญาณก็ยังเฮียนมากจนไม่มีคนกล้ามาอยู่ก็เลยกลายเป็นบ้านร้างไปผมฟังแล้วขนลุกครับไม่รู้ ว่าถ้าไม่แอบไปเห็นท่าแท้ของเธอซะก่อนอะไรจะเกิดขึ้นกับผมบ้างจังหวัดสุขโขทัยเมื่อถึงหน้าร้อนน้ำมักจะแห้งแลง้งคนสมัยก่อนก็เลยต้องขุดบ่อเพื่อหาน้ำไว้ใช้บ่อน้ำรวมนี้เป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านนะคะทั้งอาบน้ำทั้งซักผ้าทุกคนก็จะมารวมกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆมากมายแต่ว่าพอตกดึกก็จะไม่ค่อยมีคนมาใช้น้าแล้วละเนื่องจากว่ากลัวพวกงูพวกสัตว์อันตรายอื่นๆที่อาจจะออกมา ในสมัยนั้นทุกคนใช้แต่เกียงน้ำมันกันค่ะยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีคนหนึ่งเขาเพิ่งจะมาจากต่างจังหวัดมาครั้งสุดท้ายก็ตอนเขาเด็กมากแล้วพอกลับมาอีกทีเนี้ยโตเป็นหนุ่มเลยเนื่องจากว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านไกลามากทําให้เขาเนี่ยมาถึงหมู่บ้านค่อนข้างดึกระหว่างเดินเกิดหิวน้าค่ะก็เลยพยายามมองหาบ้านคนแต่ว่าเนื่องด้วยจากว่าเวลานั้นเป็นเวลาค่าแล้วส่วนใหญ่ก็หลับกันแล้ว แต่ว่าระหว่างที่ชายหนุ่มคนนี้เดินอยู่เนี่ยนะคะก็อเผอิญค่ะว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วนะคือเป็นผู้หญิงแก่กับเด็กส่วนเด็กนี่จะถือตะเกียงน้ํามันเดินข้างๆยายแก่คนหนึ่งที่กําลังหามน้ําชายคนนั้นก็เลยขอยายคนนั้นดื่มน้ําสักหน่อยยายบอกใกล้ๆว่ามีบ่อน้ําอยู่น้าพ่อหนุ่มไปดื่มที่นั่นก็ได้ตามยายมา ว่าแล้วยายก็ให้หลานตัวเล็กเนี่ยเดินนําหน้าชายคนนี้ไปบ่อน้ําชายคนนี้ก็เลยอาสาหามน้ําเดินไปยังบ่อยิ่งเดินน้ําที่หามาก็ยิ่งหนักขึ้นทุกทีทุกทีค่ะจนผู้ชายคนนี้แทบจะทนไม่ไหวขณะที่กําลังจะวางถังน้ําที่หามาอยู่นั้นเด็กก็บอกกับเขาว่าถึงแล้วนี่ไงบ่อน้ําเด็กคนนั้นก็หยุดโดยไม่บอกเขาทําให้เขาเนี่ยชนเด็กคนนั้นเล็กน้อย แต่ว่าเด็กก็สะดุดตกลงไปในบ่อน้ําค่ะผู้ชายคนนั้นตกใจสุดขีดตะโกนลั่นพร้อมกับหันมาทางยายแก่คนนั้นแต่ปรากฏว่ามองไม่เห็นนะคะแต่ว่ากลับเห็นบางอย่างอยู่บนหัวแทนค่ะเขาค่อยๆมองขึ้นไปก็พบบางอย่างที่ยาวมากโดยเป็นเท้าคนแต่ทําไมมันยาวแบบนี้แล้วก็เหนือขึ้นไปเป็นยายแก่คนนั้นยายแก่ตะโกนว่าแกฆ่าหลานฉันทำไมพร้อมกับแลบลิ้นยาวลงมาจนถึงพื้น ชายคนนั้นตกใจตะกน ล, ลั่นบอกผีหลอกวอยผีหลอกกูช่วยด้วยคนแถวนั้นได้ยินก็รีบจุดตะเกียงน้ำมันมาดูที่บ่อน้ำค่ะเห็นแต่ผู้ชายคนนั้นนั่งฉี่ราดอยู่ข้างบ่อน้ำมีคนหนึ่งในชาวบ้านพูดขึ้นมาว่าโดนอีกแล้วเหรอเยจุกกับเจ้าทิ้นอีกละสิ ชายคนนั้นทำนาซีดน้ำตาไหลาอาบแก้มชาวบ้านก็เลยพาไปหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อพรมน้ำมนต์แล้วก็พูดว่าผีเยจุกกับหลานมันนยโยมดึกขนาดนี้ชาวบ้านเขาไม่ผ่านแถวบ่อน้ำกันหรอกโยมคงเพิ่งจะผ่านมาแถวนี้สินะไม่เคยเห็นหน้าเลยเยจุกกับหลานมันเจ้าทิ้นนะ่ะมันไปตักน้ำที่บ่อเด็ก ที่เล่นแถวบ่อน้ําแล้วก็วิ่งไปโดนเจ้าทิ่นมันเจ้าทิ่นมันก็เลยพลาดตกบ่อน้ำเยาจุกแกตกใจก็เลยรีบไปที่บ่อน้ําชะโงกหน้าไปดูแต่ว่าปากบ่อมันลื่นก็เลยตกลงไปตายอีกคนหนึ่งยังไงวันนี้โยมก็พักที่นี่ก่อนละกันพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านนะหลวงพ่อพูดจบผู้ชายคนนั้นก็กราบเท้าพร้อมกับขอบคุณที่ชาวบ้านช่วยเหลือเขาวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นกับญาติญาติก็เลยมาทําบุญให้เยจุกกับหลานที่วัดทันทีค่ะ เหตุการณ์อนน่าสะพรึงกลัวครั้งนั้นมันเกิดขึ้นราวปี2502ขณะนั้นผมเองก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวแห่งความอาฆาตแค้นแล้วก็แรงแห่งความพยาบาทครั้งนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นผมติดคุณปู่ของผมมากจะไปไหนก็มักจะติดสอยห้อยตามไปด้วยทุกครั้งเรียกได้ว่าเห็นปู่ที่ไหนก็จะต้องเห็นผมที่นั่นเลยก็ว่าได้แล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นกันปู่บอกว่าจะเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดสัก2องวันก็เลยขอติดตามปู่ไปด้วย เองอยากจะไปก็ไปแต่ข้าบอกก่อนเนะว้่ยว่าที่นั่นนะ้ำมันกันดานไม่เหมือนที่บ้านเรานะและถ้าเองต้องไปก็ต้องหัดมีความอดทนหน่อยไม่ใช่บทจะเบื่อขึ้นมาก็โยเยจะกลับท่าเดียวปู่บอกกับผมเหมือนเป็นการปราบปรามเอาไว้ก่อนตกลงครับรับรองไม่เบี้ยวแน่ผมรับปากอย่างแข็งขันเพราะกลัวปู่จะไม่ให้ไปด้วย จากนั้นเราสองคนปู่กับหลานก็เลยช่วยกันจัดเตรียมสัมภาระต่างๆลงย่ามทั้งเสื้อผ้าสบู่ยาสีฟันกระทั่งทุกอย่างถูกเตรียมเป็นที่เรียบร้อยพร้อมสำหรับการเดินทางในวันรุ่งขึ้นผมรู้ว่าปู่จะไปธุระครั้งนี้ด้วยเรื่องอะไรแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าปู่ของผมเป็นคนเก่งแกมีวิชาอาคมมากมายดังนั้นทุกครั้งที่ไปกับปู่ผมก็เลยสบายใจได้ทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่องผีสางผมไม่สนเพราะว่าปู่บอกว่า ต่อให้ต้นตระกูลผีแกก็ไม่กลัวเพราะว่าแกมีของดีอยู่ในตัวและแกก็ได้มอบของดีนั้นให้กับผมด้วยนั่นก็คือว่านตากแห้งชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่ากลิ่นของว่านชนิดนี้ผีกลัวเขาจึงเรียกกันว่าว่านผีขแยงซึ่งปู่ของผมไปได้มาจากประเทศลาวตั้งแต่สมัยแกยังหนุ่มการเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนั้นมันแสนยากลําบากขณะนั้นดินแดนแห่งทุ่งกุลาเต็มไปด้วยทุ่งซึ่งมีแต่ความแห้งแลง้ง ผืนดินที่แตกระแหงนั้นบ่งบอกได้อย่างดีว่าสภาพดินฟ้าอากาศที่นั่นมันโหดร้ายปานใดเราจะไปพักกันที่หมู่บ้านข้างหน้านั่นปู่กล่าวขึ้นขณะที่เราลงจากรถปูโรทั้งที่วิ่งปูเลงปูเลงฝ่าไอแดดที่ร้อนเผาและก็ฝุ่นที่ปลิวคลุ้งมาจับตัวรถจนกลายเป็นสีโอวันตินเรามองผ่านเนินเตีย้ยลูกหนึ่งเห็นหลังคาหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องหน้าโหต้องไกลนะปู่ เราจะต้องเดินไปอีกแล้วครับหรือว่ามีรถโดยสารผมถามด้วยน้ำเสียงเหมือนกับบ่นซะมากกว่าเดินห้ามบนนะปู่ตอบสั้นๆด้วยเสียงเ้าๆซึ่งเสียงแบบนี้ผมรู้ดีว่ากำลังปรามผมเอาไว้ก่อนล่วงหน้าคงรู้ว่าผมต้องบ่นอุบแน่ก็มันทั้งร้อนแดดเปรี้ยงแล้วก็ไกลลิปออกแบบนั้นเป็นใครก็ต้องบ่นเหมือนกันนั่นแหละ ในที่สุดเราสองคนปู่กับหลานก็เดินฝ่าเปลวแดดยามบ่ายมาถึงแนวเขตหมู่บ้านซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาที่แสนจะแห้งแลง้งผมได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ดูแตกต่างจากคนภาคกลางอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งควายที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ไถนามันก็ดูสู้ผอมไม่อ้วนพีเหมือนกับควายที่อยุธยาบ้านผมดูแลมันน่าสงสารจริงเออขอโทษทีเธพหนุ่มรู้จักบ้านของตะสุกไหม ฉันเป็นเพื่อนเขามาจากอายุธยาโน่นช่วยพาไปพบทีปู่ถามชายคนหนึ่งซึ่งกําลังสารบวนอยู่กับการมัดกองฟางเขาบอกว่ารู้จักดีแล้วก็พาเราไปที่บ้านของตะสุเพื่อนซีของปู่ผมซึ่งที่นั่นตาสุก็ต้อนรับขับซู้พวกเราเป็นอย่างดีหลังจากที่เราไปถึงบ้านของตะสุขก็ได้อาบน้าพักผ่อนกันพอสมควรแล้วปู่ก็บอกให้ผมรออยู่ที่บ้านของตสุส่วนแกกับตสุจะไปทุระสักพักค่ำๆถึงจะกลับ ซึ่งผมก็ไม่ได้ตามเพราะรู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางเป็นอย่างมากปู่กับตาสุกกลับมาถึงบ้านอีกครั้งก็ราวสองทุ่มเห็นจะได้จากนั้นไม่นานพวกเราต่างก็เข้านอนโดยอยู่ที่มุ้งเดียวกันกับปู่ส่วนตาสุกเพื่อนซี้ของปู่นั้นก็นอนในอีกห้องหนึ่งที่ติดติดกันขณะที่ผมกําลังจะเคลิมอยู่นั้นหูของผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมันคล้ายกับเสียงลมที่พัดกระโชกแรงมากแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามีลมเท่าไหรนะ่นัก พร้อมกันนั้นเสียงหมาที่นอนอยู่ใต้ถุนก็หอนขึ้นพร้อมๆกันเหมือนกับมันเห็นอะไรสักอย่างเสียงหอนของมันดูเยือกเย็นมากครับผมเริ่มปอดกระเส่าขึ้นมาบ้างเมื่อหันไปมองทางปู่ก็เห็นแกยังอยู่ในอาการปกติจึงอุ่นใจขึ้นมาบ้างปู่ปูหมามันหอนทําไมครับปู่ผมถามขึ้นจะไปรู้หรือข้าไม่ได้เป็นหมานี่วะปู่ตอบกวนๆจนผมแอบยิ้มไม่ได้ จากนั้นจึงพยายามข่มตาให้หลับแต่มันก็หลับไม่ลงจริงๆครับและในทันใดนั้นเองหูผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ฟังดูผิดปกติมากผมจึงอดใจไม่ไหวต้องลุกขึ้นไปดูให้เห็นชัดๆเพื่อให้คลายความสงสัยไม่งั้นนอนหลับไม่ลงผมจุดเทียนไขเล่มหนึ่งพอสว่างก็เดินออกจากห้องไปบริเวณรอบๆ บ, บ้านแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติปู่ของผมจึงตะโกนออกมาจากห้องว่าให้ลงไปดูใต้ถุนบ้านด้วยผมจึงเดินลงไปดูตามคาสั่งของปู่ ขณะที่ผมกําลังก้าวลงบันไดบ้านนั้นผมก็เห็นสิ่งหนึ่งจากความสว่างของแสงเทียนที่สระส่องออกไปเป็นรัศมีพอสมควรภาพนั้นปรากฏอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งตรงหน้าบ้านมันไม่ใช่คนแต่ว่ามันเป็นผีภาพที่เห็นเป็นภาพของอะไรบางอย่างคล้ายผู้หญิงมันอยู่ในลักษณะเอาหัวที่มีผมยาวกว่าห้อยลงสู่พื้นดินส่วนใบหน้าของมันก็ช่างหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรปานนั้นเพราะเต็มไปด้วยน้ําหนองที่ไหลยเยิม้ม อีกทั้งตาก็ถลนออกนอกเบ้าใหญ่เท่ากับไข่ไก่นั่นเลยทีเดียวที่ร้ายไปกว่านั้นมันยังแลบลิ้นยาออกมาตาวัดเกือบจะถึงตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ผมต้องเบิกตาลานด้วยความตกใจกลัวสุดขีดเนื้อตัวสันเทายืนแทบไม่ติดมันส่งเสียงหัวเราะเยอะอยู่ตลอดเวลาเจ้าผีร้ายตัวนี้มันหัวเราะแต่ผมสิครับแทบจะร้องไห้ผมต้องตะโกนร้องลั่นออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวจับคว้าหัวใจ โอ้ยผีหลอกช่วยด้วยผมร้องออกมาได้แค่นั้นก็หมดสติไปทั้งคนทั้งเทียนไขที่ถืออยู่ในมือตกลงบันไดเมื่อไหร่ไม่ยากกระู้มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ปู่เรียกชื่อของผมพร้อมทั้งขย่าวร่างปลุกให้ตื่นนนนนโวยเอ็งเป็นอะไรไปตื่นเร็วตื่นเมื่อผมตื่นขึ้นมาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนในบ้านฟังเมื่อได้ยินผมพูดถึงเรื่องผีหลอกตสุขเพื่อนซีของคุณปู่ก็เลยพูดขึ้นว่า ผีอีกลกอยเอาอีกแล้วหรือเนี่ยทำไมมันไม่ยอมไปผุดไปเกิดสัทีว่าปู่เลยถามขึ้นบ้างว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันตะสุกจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยสับ ป, ประเวประจำหมู่บ้านชื่อสิงห์ได้แอบไปได้เสียกันกับอีกลกอยซึ่งเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเสร็จแล้วนางกลอยมันก็ต่องการให้ในสิงห์รับเลี้ยงดูแต่ว่าไอ้สิงห์เนี่ยมันไม่ยอมกระทั่งนางกลอยมันตั้งท้อง3เดือน แต่ว่าในสิงก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยก็อ้างว่าไม่มีเงินดังนั้นทั้งคู่ก็เลยมาอยู่ด้วยกันเฉยๆทําให้ผู้ใหญ่โกโรธถึงขนาดขู่จะฆ่าในสิงทําให้ในสิงกลับต้องหนีไปอยู่ที่อื่นส่วนนางลอยเนี่ยด้วยความที่มันเสียใจอย่างยิ่งมันก็เลยผูกคอตายบนขือบ้านเมื่อ น, นางลอยตายผู้ใหญ่ก็เอาไปฝังไว้ก่อนกลายเป็นผีตายทั้งกลมวิญญาณของนางลอยเนี่ยมันเฮี้ยนนะัก เที่ยวหลอกหลอนคนอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งพระเนนมันก็ไม่เว้นฟ่ายในสิงเมื่อรู้ข่าวว่านางกลอยมันผูกคอตายและผู้ใหญ่จะขุดทำการเผาให้วิญญาณไปสงบจึงได้กลับมาขอขามาต่อผู้ใหญ่พร้อมกับช่วยหาฟืนมาเผาศพเมียด้วยความรู้สึกสำนึกผิดร่างของนางกลอยถูกนำมาวางบนเนินเชิงตะกรกลางแจ้งแล้วก็นิมนพระมาสวดบางสุกุลพร้อมกับเริ่มจุดไฟเผาศพนางกลอยมัน ซึ่งไฟก็ค่อยๆลุกโหมไหม้ศพอย่างรวดเร็วขณะที่ในสิงยืนเอาฟืนใส่ในกองฟอนอยู่น่ะสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือมืออันหญิกงอของศพนางกลอยเนี่ยมันยื่นออกมาแล้วก็จับมือในสิงล็อกไว้จนในสิงร้องเสียงหลงผีนางกลอยก็เลยรวบเอาร่างทุรนทุรายของในสิงเนี่ยเข้ามาสู่กองเพลิงที่ลุกโหมอย่างรุนแรงในขณะนั้นจนกระทั่งในสิงขาดใจตายคากองฟอน นางกลอยที่มันถูกเผาแล้วก็ไอสิงที่มันตายทั้งเป็นอยู่ตรงนั้นด้วยกันศพของนายสิงก็ถูกเผาไปพร้อมกับนางลอยในวันนั้นด้วยแรงพยาบาทแล้วก็แรงอาฆาตของผีตายทั้งกลมซึ่งเป็นเมียของมันเองนั่นแหละ